น่าหลงคิดตอนนี้กัลอลงถ้ำตนนั่งล่ะีมาสาสังขารแข่งกันยนู่สางคือสางแกิวสางเก็บสางตายสางโรดสางส า, สางห ล, ล, ลงแข่งกันนี่มันก็ไม่ยอมจบประิทนเป็นแล้วเออมันจะจบประเเป็นยังไงจิตใจพอสูงก็สังขารเท่านันก็ไปว่ารอดแล้ว ทีอยุติอำนาจทั้งังขานแหมก็พุทธเจ้าบอกว่าที่ยุติอำนาจตองเป็นหน้าที่โยงสัตว์ก็พุทธเจ้าของมโได้่ยุติอำนาจควบลงเจ้าของหวสัยุ่เหนือควบลงเจ้าของผอร์พันธิมาดับโลกดับควบลงเจ้าของ่ลสอนใหมูห้องดับควบลงเจ้าของผลว่ามันสอนในมืห้องดับโลกภายนอกดับสังขานภายนอกดับว่ดับมันจะเปลนยงสั ควเปิดคืนเปรย์่วนนั่นแต่สลายมันนักประจำโลกกุบะลงธรรมาจะเกลืออืบเปวยควบเน่ามันก็บว่าลงธรรมาจากร่างกายจะเกลืออันนี้จังทุกครั้งอนัตตากับว่าลงธรรมาจากร่างกายหูุเวทนาทัญญาสั้งขานมีญาแล้วเกลือมันเป็นจริงโยงฉันพิจารณาแต่เป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นตามเป็นจริงจากควมหลงจากของถนาดเรื่องมาน่ะสินสำนักที่ปนญญาเพื่อว่าสึงมาแก้ควมหลงจากของนั่นล่ะนุยประตูสิไปแก่ มันมันจห่อปลูกไปพระใิพ้านนึ่งมันมันจะห่อผูกข้างกระดูกไปพระใิผ้าหนึ่งม น, นมันจะหอบเกิดห่อแก่ห่อเก็บหอบตายไปพายในผ้านนํางมันมันจะหอบทรับผ้าเนาะไปพระนนใิผ้าหนึ่งเข้าใจเป็นผู้สมมุติหนังสือเขืน่นสมมุติว่มีสองสมมุติสมมุติตามเป็นจริงนี่สมมุติตามว่าเป็นจริงก็มีสมมุติตามว่าเป็นจริงคือสมมตทิทางไหนเทศบาปทีแท้ไปบรรยัติว่าบุญ ข่างัวข่าข้อยข่าเพชคขาไก่ข่ากะเฮ็ดบาปจะแกะไปเปสมว่าบุญสมุทรบุญข้อนข้อนนึกชื่อเนี้าันเดี๋ยวไปแลบลิ้นร้ายสันหลวงปู่ขงแกว่าให้เขาเยียไปรอลิ้นร้ายสันข้าบุญดนหกเนี่ยนต่ะม่จังได้บุญหลายอย่างคู่เพราะว่าเขาเพื่อนมัดข้อเบาหลวงปู่ของแก เขาเป็นบรรยัตบรมส่วนน้ำทำเพลงใช่ว่ามันได้บูญนักเทียพระพุทธเจ้าองค์ไหมาสอนมันชงเสริมกลัามาล่มทัวร์ชิ้นหาชิ้นเปรตตัวเคยยังหามโอทีชิ้นเปรตตัวยยังหามบ่อยคําบําทำเพลงบรรยัตเอาที่ซื้อนีนะฮานอกจากนักปากบรรญัตนะคนผ่านมันบรรยัตไปทั่วทีบดอกในวันเขียวมันกับบรรยัตเราอุจฉะดี น้ำพุน้ำเผือมกับบัญญัติระเกศนั่งไม่ดีว่ายังไงสัน่นห้องไายห้องมัดว่าประสาททปไตรมันคือกันท่นเนี่ว่าสังคมนิยมมันคือกันท่นเนี่ยแต่ว่าโลกเขาผ้าเพ็นคือกันทนะ่นเนี่ยแล้วทุติเจ้าผบัญญัติตามธรรมา่ไตยโลกทั้งหลายแผ่นบัญญัติบัญญัติตามอัตตาธิไตรความเห็นตนเป็นไงเห็นปักเห็นพวกเป็นไงถือทามาถึงยาหัวมัน อัมตมีผู้ให้คะแนนเสียงกูเรียกว่านูกตาที่ปไต้บรยัญญาติาโลกอัตาที่ปะไตยบรรยัญญาติจำเจ้าของมันใช้อำนาจตัวห้างตัวมีก็โมล่ละออกควมเห็นชนิดไหนละ ป, นป่าคนบุถือข้ามมาถือยาหัวมันเรียกว่าอัตตาที่ปะไต้แลวว่าให้คะแนนเสียงกูกูจังเอานะ ธรรมที่ประตยพระพุทธเจ้าขอเป็นเทงัพรุทธเจ้าจึงเข้ารบธรรมไม่ประมาทธรรมนักเอถอธรรมอนวาธรรมไผทีนับถือข้อบกระตำธรรมทั้งหลายกย็บมีโยสันไผีบนับถือกต็ตตำธรรมทั้งหลายก็มิโยสันฝ้าขึ้กันไผทีว่าข้าเป็นฝ้าไผศีว่าข้าสูงหรือข่าจำกลัวก็ะตมก็สูงกลัวโยสันอ้โหสันอรร ควบจริงวันนี้จะควบจริงมั้มีแต่ละสั้นละสั่นละสั้นไปจนถึงมะพรุนนี่พ่านดูละควบจริงวันนี้จะควบจริงมีสองทางแม่ออกเยย่อทังโลคกีนึงทางโลคกุตระนทั้งโลคกุตระกับควบจริงวันนี้จะควบจริงสันพระสวัสดาบันกับควบจริงวันนี้จะควบจริงในสั้นน evet. ี้ ส, ส, ส, ส, like. สันพระกท่าข้ามี้งโบจิงโมน้จะคคบจิงในสันน้สันพระอนาข้ามี้งโบจิงโมน้จะคบจิงในสันน้สันพระลหันก็บจิงโมน้จะคคบจิงในสันน้สูงเกิดไปสันพระประเจกก็บจิงโมน้จะคบจิงในสันนอีกข้าที่พระไตรในชันนอีกธรรมะที่ระไตรในสันนิอีกธรรมะระไตรสมีไรสันเนี่ยธรรมะที่ระไตสันพระโสดาบันธรรมาธิประไตสันกทาข้ามีธรรมาที่ระไตย สั่นพระอานาคามีธรรมะที่ปไตยสั่นพระอรหันต์ธรรมะที่ปไต่สั่นพระพุทธเจ้าโอสั่นพ่อปัจเจกธรรมะที่ปไตยสั่นพระอรหันต์สักคนนะพระอรหันต์มีสองกระโวกเลยเพศหญิงหึเพศชายหนึ่งเพศหญิงเรียกว่าสาวิกาอรหันต์หรือสาวิกาสวดด่าบันฑิตขาทาคามีอานาคามีอรหันต์หรือสาวกสวยดาบันฑิตข้าทาคามีอานาคามีอรหันต์ มีพวกพุ่มสาวบกพระวิการส่วนทพบัจเจกนีเพศชายผู้เดียวว่ามีมือมืเพศหญิงไปไปไปนโคตรจิงวันนี้จะคตบจิงเหมือนกันล่ะก็เป็นธรรมาที่พระไตรเหมือนกันเป็นสันทาปัจเจกสูงกว่าสันท่หนึ่งพระสมมาทั้พระเทเจาสั่นที่สองทพบัจเจกส่วนธรรมอันนี้ท่านี้พ่านมี้ว้อหมายอันเดียวกันแต่มันกวงขวงแลอวกันเหยียบค่ายก็กัน หมักผลส่วนปฏิบัติแบพภายในภานัาน้เป็นผนท่าอันเดียวกันแต่อันนี้สองเหตุสงผลเน่ยมันสูงเขากันให้ในธรรมะน่ะบอกสั่งสูงกันละเอียดก็กันเร็วกากันด้วยสังบารมีอลไรก็กันด้วยเดี๋ยวธรรม า, า ท, ที่ประจัยทั้งนั้นธรร ม, า, มกก า, าที่ประจัยธรรมะที่ปไตยมันจะมีตะโลกกุตระเชิงเดียวโลกียะนี่เป็นอัตตาที่ประจยบ้าง เป็นโลกาธิปไตยบ้าโลกายที่ปไ ต, ย ก, ย, ปตยกับอัตตาธิปไตยกงเกลงกันส่วนทั้งโล ก, กุตระธา่์ธรรมะที่ปไตยอันเดียวสิ่งหนึ่งสูงขึ้นไปเป็นลําดับท่านิพพานเป็นธรรมะาที่ปไตยอย่างสุดยอดคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายภาริยสงฆ์ทั้งหลายสาวกทั้งหลายส้งไปร่วมกันด้วยธรรมะาที่ปไตยบื้องฐานเมิงเมื่อนี้จะโคนจริงเบื้องฐน ส่วโลกาธิปไตายอัพกับอาจาริปทีตายอนี้น้ำโลกี่ผิบาทนี่เกาโลกี่ผิดะรถอาได้ลงอยู่พี่บ่บ่บ่บ่บเนี่ยนีู่ดีมึงชั่วกูหัวมึงยกอยู่นี่กูสนอเวมึงมึงสนองเว้นกูกูสนองพมึงมึงสนองพกูอย่างนีวนเว้นนี่พี่เว้นน้ำขอบกระดงหวนี่เป็นอาตาธิปไตายเป็นโลกาธิปไตายห่วงนี่ว่ามันทำไม้ที่ปตาย เว่นกลางคื น, นปัญหาก็หลายพวกเนี่ยปัญหามันหายไม่จัดใส่มันก็หลายออกมาจากกิเลสเท่ากันกีเลสเท่าหลายปัญหาก็ปัญหาก็หลายแหละกิเลสเท่าน้อยปัญหาก็หน่อยพระโสดาบันตัดปัญหาไปแล้วบกขบวช ข, ขึ้นเป็นจุนต่อนไปอุปมาคือเทืองาเป็นจุนต่อนไปแล้วปเป็นจุดต่อนไปบกขบวชขึ้นเขาไม่เสียอย่างบกบพงขึ้น เอาออกหอนหกมันพร้อมหลอดปูนเซเมนใช่พร้อมเป็ น, นตอนไปหัวพระหน า, หนาข้าไม่ปัญหาเมื่อแปดพึงปัญหาเมื่อแปดนปัญหาเ จ, จ้าของกิเลสเจ้าของหัดพระรหัสเราเมื่อปัญหาเจ้าของเมื่อมีปัญหาถึงมาสอดแทรกพราะหนักไก่เพราะแก่มืแล้ว วฏิบัตรมดแล้วหลูหมดแล้วแก่มดแล้วอุ้งนขนนาเ่าเนี่ยโอ้ยคือหลายรับมหนุ่มมึงมาคือหับไพ่น่ะคือหลายรับมพ่อพอ่พอหลงท่าตายแก่หนึ่งมาอ น, นุ่งปัเจเบ ป, ปูใส่ของอปัเจเบ ป, ปูใส่กระดงฮะลตนี้มือพร้อมไออกขอเขกเขกเขกคนที่ซุก็ได้ตายฆ่ากระดง ตายข้าปูนีมือเนิ่นใครที่แก่ตก๊ในโลกอันนี้ไมผูแ้แก่ตก๊ะล่ะแก่โต๊ะถาพโสดาบัาโนะต๊ะเป็นตอนตอนประลุตตังนาเลยกูวยอยู่กูวัยอยู่กูวอยู่กูตังนาเดินทางมลยประเดี๋ยวเดินกลุ่มิ์โกทั้งหลายมันเดินเยี่ยนยวงส่ ฉนองเว็นฉนองไม่ไกกันโดนเยอยู่ล้มุดีล้อู่ลม้กูเอามึงเอากูเกูขามึงมึงขากูกูรักมึงรักกูกูเล่นเมือามึงเล่นเมือกูเอกูเงี้ให้มึงมึงงหน้ากู่ท่านไเอาสวนี่สัากูก็มีือกูขามึงมึงขากูกูขามึง่ไรสวนี่สาูขามึงมึงเถอกูรักมึงเ่ไรสัวนี่สัตนากูรักมึงเว้นสนองเว้นไพ่สนองไพ่เยอะนี่ ดีสน้องดีซัวสนองซัวยังหนี่นเว่นกันอยู่นี่นีสมุตว่าโลกนีสมุิว่าโลกสนออกากันนี่แล้วสมุดว่าพนีุผ่านวัดผุ่มมัแขกบ่กุ่นผุดเอาหลวงสันวะมันจะอังบอกมันยัดเหงียดแต่นุ่ยนี่มันยังกวงด้ว่ซ้ำสันผ้ามานหน้าลงไปเลยยิดลงไปเป็นนึ่งเลยแหลมแหลมก็ปลายเข็มผุ่น เปลนว่เราซึ้งปุ๋นนั่นแหลโลกยังนั่ไปนยดเียดอีกรู้หันขามันนั่นเปนผลยงนสิทนิพานวันอว่าขามโดยวิธีไหขามโดยพ่อปัญญาพาะสติเปลยว่าทอดโลกล่วงแล้วทอดโลกทั้งหลายลงเปนรวมลงเป็นหนึ่งเบเวงเวิ้งเวิ้งยุติน่งยังเป็นโลกยปติจู้หันก็ตายข้าหันกับไปพุโโลกละเอาปติยู้บนพ่อปัญาบนหันยังมาท่านพ้น สองสัตอรรถว่าผู้ประสงค์ภายพนพานผู้ประสงค์ผลทุกนาวตาสงสารผู้เห็นไพานาวตาสงสารบารมีเขาสามแก้ก้ามาแล้วนะเขาไม่ดอกหัวมันกระตูมแล้วนะมีแค่สิบบาทเท่านั้นยังยาหัวอตายสั้หัวมันมาสั หนึ่เกิเรียนกัไม่คู่ขึ้นกันเราพัศนบาบุมีบุญบุมีดอกพสนละมันมีานไม่พบอีกศรีด้เกียดก็ไม่คู่ขึ้นกันย่าหัวมันพาศเสนคูหน่งเลยเนี่ยเขาเนี่จำมันมันมวนใชัศนบหนึ่งเอาว่ทีหมุนร้อนย่าหัวมันตายไปศรีเกิดดักเรียนกันไม่คู่ขึ้นกันเราพัศนพวกนั้นไม่ยังก็พวกนั้นก็ดอกบัวย่ไตน้ำเนีับกมมนีน้าวัตตตีโลกุสลกเปนไปตามกรรมมัดคำว่าสลกเปไปตามกรรมบ่อยู่ ผู้ยูสูงก็เป็นไปตามสูงผู้ยูโรกุตระก็เป็นไปตามโรกุตระผู้ยูในโลกกีก็มีหลายสันตัมก็กันหลายสันยผู้ที่ถือบ่มีบามีบุญอเอ๋เขาพุทธเจ้าองค์ไหนก็มแก่ก็ไรกันฝากไปพดที่จ้าองค์งามหือจมันพระองค์ไหนบุญละบมพระท่านบ่ท่านมีคิ้วผู้ถือบ่มีบาบม่บุญท่านมีคิ้วพขาพุทธเจ้าเทศเอาบไรได้บ่า่าเสวียนขาพนเสวียนขาเพนม่หยัง คือิ้นฮาเขาแล้วพระพุทพระธรรมระสงค์เขแล้วโเลแสงในพะุพระธรรมประสงค์เรียกว่าว่าข้าสวีงคํ่เหลือมแสงในพพุพระธรรมพระสงค์กมี่ลายสั้นเอาผีมาถือป่นกมีเอาเวทมนต์แล้วข้า้าภายนออกมาถือป่นกมีเอาลัทธิภาพมาปุ่นกับพระพุทธเจ้ากมีการถึงพรพุทพระธรรมประสงฆ์ส่วนระสวดาวันเมื่อไดเอาลัที่ไหมาป่นเลย ย่อมตายต่อพระผูประับปสง์เลยเก็บป่วยมากขะหายมากินเศร้าก็เศร้าบาเศร้ากยอมตายต่อพาวหน้าย่อมตายต่อทนทานทนินทนพ่่นาของเจ้าขององสั่งไมเห็นโสดว่าพี้เขาเจ้าสุนไชยเชือด่ะฝ่ายผูกคอต่อแขนกับบัต้ของามาผูกเจิมรลดเจิมเลือดกับบหมีเจิมคิดเจิมใจเจ้าของให้มีท่านชินพ่อพหน้ารดนมุ่นนำพ่นกับบัตรอถพระเาาวัน ปลดลน้ำม้น้ำพ่อนเนี่นาพวก น, นั่งคือศาสนาภาพมาผลอยนี่เมนพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไป็จริงอยู่ทรงอนุญาตค้นหายข้นเพศดายข้น ด, ด, ดำดำเนี่ยเพื่อจะหลอกเขาให้ถึงโลกพุตธะอย่างเขาทียิสนสนั่นเขาบ่ถืก อ, อีกคือหลังวะตีตะปูใส่สนั่นคื อ, ลอหลวงปู่ม่อนลดน้ำมูอน้ําพอมันม่อนเน่หลวงปูหลวงปูสมาเนี่ยเขาเกิ ต, ต, ตัมันมาัคักูวดลวงว่ได้เอาครากเียคือมตัวรักมูตัวเฮ้ยตัวเสียงหายก้อนห้ชีนออกเป็นน้ำนยางยางนี่ตีตบอกจ๋าลัพัดอ่ะเงาียบมดมือเขาบ่ได้เขามองรถมดมือแล้วมันตายโอ้ผมว่าท่าให้แล้วเพื่นว่าเฮ้ลุหลานเอ้ยจิตใจถึงพอฝึกพอทำพสง มาถึงทานถิ่นพาวานะถือว่ารถภายนอกมันก็บถึงเนี่ยหลูกลาเนอรยสันตัวนเทศสักคนสัตัว่าเขาแอบกินเนี่ยฮะวันมันก๊กไม่ถึงว่ารถน้าม้อน้ำพอนหามันถึงถินัึงมันก็บมได้แล้วถือว่าเสื้อตะก้มหายพอนมันกับ่าถือตัวตันเทการหายพอ่มันกับเป็นธรรมเนียมของพระเจ้าระสง์บักฮายเขนมงอีพีกิีนมุงบุหันวาจักเสือสัน ไอ้ชนเนี่ยพ่อนตัวรับปาดเลยพ่อจะไปททาจะควบหายพ่อนคนยืนยืนพ่อแบบโเห็ดีจักเธอเอาสันเหตจะพิษเลยสิหายพ่อนเพราะเทวชาตเดว่ากันเก็ตกมลโรคขี้หนังวาสันหายพ่อนพวกมลโรคคนั้นขนมาได้ระบอกวาสันทำย่อมของพระไอินเนี่ยพ่อนเน่ลเป็นสมาหจาวันักต้วนไปท่าดีเนี่มันก็เมนแต่พ่นบวอีกพ่วอีกก็เมนอีก ของสัตหพ่อนะเพื่อพุกคิดพุกไก่ให้ไปทั้งดีล่อไปเอากล่วยกินอะไรข้าทําดีแล้วไปถึงบมาให้พ่อนี่ข้ารับตาแล้วบุ้ยพูดได้บ้าให้พ่อนันมืดได้คน่าถ้ามืดตาบุ้ยไปให้พ่อนเห็นหงื่อได้มันก็เห็นคน่าต่อเคื่อเห็นเะพนหนักหลายถึงทาเนียมวหวจ่าของคนคือจิปฏิเสธทุกการให้พ่อนะเพราะอไรทเนียมของผรากระตงเวยใส่ให้พ่อเพื่อบใหันมีเรืยนมีไพ่ ก้ดเอาพระไปแขนแบบๆ่างยิ้มยิงไว้มาหาจินเราพนยกขหมหัวพยนเ <c oughs> มือจักรมวเลยในพ้าแบไปปุ่นไปกี้กัมี่พระพุทธเจ้าองค์ไนสอนว่าเอาพวกกูไปข้องข้อสหลับไปปุ่นไปขี้แต่เขาทับกับเจอปะขาเขาเด้ศปรตายดอกพระพุทธเจ้าว้วะเนีว่วนนีบอกว่ายังนี่ยมือห้องไปถือบะมีเนี่ยสมุน้ำลด เอาสนามวัดสนามว่าเป็นสนามการพระนั่นหมดพระเทศให้ทั้งศินทั้งถ้ำไปผูกอเล็พวกพวกนี่พวกมหาวิสีนรกบดินละรองสั่ว่ามันมัเหมือนเราพ่อปานน่ะเอาสารเทียนไปห้องห้องพังพระพุทธเจ้าโคกโบกนี่ผู้ที่ผู้โยมพ้อมมั่าันอะผู้พระโสดาบันลมึงแลละ เขาไม่เียดหรอกเ็า่เคยดกเพชรถ้คือว่ามันคลิปหายตานาเดียวเขาม่มีเส้นหางบริวูณนี่เลยคนพม่อันนี้ชัดทุกเทปว่าถือศาสตราอื่นนี่เขียดกระซังว่าจองเล่นผู้ได้กระทรวง่านโอ้ขณะที่เขาถือศาสตรกรอน่ะก็ให้มานเล่วไปไซเดอร์จันเขามากอมาัดมัเล่าไปไซเดอร์เียดเขียดอยู่หามผูกเวนอุปนาห้าผูโกรดไว้ แจ้แค่นว่าเหรอเ็น้สพเจ้าปิดอบายจพุ่มเนี่ยพุมจะไปแห้ครับที่สารทนกรปิดแล้วปิดประตูหัวใจเนี่ยปิดประตูควกมาพืชเม่ไปเมื่อพอพืชไปเดี๋ยวเขาปิดอบายจะพุมพุมจะไปทั้งซ้วนเคนปิดเลยแล้วเขาพุทธศาสนาเบื้องต้นกับพระโสดาบันเอาเบื้องกลางสกทาข้ามีนาข้ามีเบื้องใต้ของพระอรหันต์จะจบกหัตัํมก็นั่นลงมาละบนนนอนเลยฮะ กาท่าบุญไว้แรกก่อนจไปรักเทวโลกยุคพมอโลกเลยอันนี้สั้นคือเป็นโลกีเหมือนอันนี้สังขารก็ล้มมากคือเกาหะแหละแตังวนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สนิทเลยถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สน็จะปิดจะอบายจะพูดคนซูงหรือไม่ถึงสนิทเลยแต่ถ้าเพป่วยไหน่ะไปดูไมมใช่ม่เขาเปิ่วงเขาจะไปลว่าผีนั่นนี่แต่ไ่ได้แทนเรื่องมันน่ะ อันทู้เขาเสิมกขาสองแล้วเขาบอกเขาแล้วเลยไม่รักขนาดเขาปรสงสยสัเดือกว่ายังเป็นวิกีจิตชายังสงสัยอยู่เลยแล้วพุทธเจ้าสอนอกไฝวาเกิดม่ามโนแก่โมแก่บตาายผวาค่ะพุท่กิริายายง่ายก็เพราะว่าเดือดเดียนสัย์สัร้อนาสัตีามเกิดมาจะเป็นคนมีอายุน้อย ทุเกิดมากมักเป็นชีโลกสีมานแหงแต่ว่าอายุยืนอยู่เกษตรความเบียดเบียนสัสมองสิเบียดเบียนซัดเพราถึงกับตายแต่ทุกคนละภาคตีบ้างเคียนบ้างถือเป็นของสนุกของโถแต่ห้องทั้งก๊บตายในทีสังเกิดมากจังนี่ยนี่พยักเดือดเดือนมากทุเกิดมานี่อายุยืนด้วยโลกกับ่าเบียดเบียนไม่ตลกซละ พอแต่ศาสตรก่อนไม่ค่อยขาดสัตที่วิตมากไม่ได้ค่อยขาดสัตวดที่วิตรักษาศิลบริสุทธิ์ต่างสมวเกิดมาเป็นมนุษย์พูดถึงพระพรทธรรมระสงค์ตลอดชีวิตว่าอ่นรับที่อื่นมาปนเปนนี่ข้อทีเป็นสองว่านมนุษย์กษสวรรค์มนุษย์เกิดเกิดเป็นมนุษย์สัตน์สูง เป็นมนุษย์ที่หางที่มีบ่าไม่เป็นคนจนเป็นคนหางคนมีคนร่ําคนรวยเพราะมีผลถินผลท่านบ้างเนี่ผู้ถือเพราู้กระทำเพระสงฆ์เพราก็เชื่อฝนถิ่นฝนท่านเนี่ยก็กระทําไปเนี่ยเพรามันเขาจิตถือจิตคือว่ากันนนี่คนแซงใครว่าผู้ตรวจสอบคนเกิดมาเป็นคนผิวดํา เรมีผิวพันวันละนำเพลนเจ้าสากกร น, นขันกินขันท่านยังสอบเจ้าของเรื่มดำนะ่นขันกินท่านเรียกประเทศได้กองนะ่านนาอานี้จะตาเบี้ยงเลยผัวเทาเจ้าผู้พกกมเจราสากกรเราพระเจ้าองค์มณีกรผ เอาดอกไมเ้เฮียเอาไปบูชาท่านคล้องแล้วสุดเจ้อลายคลองเลยมาในผัวเทาอัน้ามเนี่ยนยจริงในเมื่อไม่เมื่อนุม่มานี่ยงมิตตานะงามปัญญ์เพราะให้ท่านแล้วดีใจท่านของไม้ใหม่คล้องงามดอกใหม่ก็าไม่ได้ เอาไปบูซาพระพระ เ, เ, รพเจ้าพระพุทธเจ้าดอกไม้เหี้ยเอาเออกเอาดอกไม้บานๆมาบูซาบอกมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าพูดถือว่าตายแต่สุนมันกั บ, บ่าเสือแล้วว่าจนปากที่สุดมันกั บ, บ่าเสือแล้วนั่นแสังยัง บ, บาเสือก็กี้เหร่จนหน้าหน า, นามันยูงหันมันจะเสียจังไน มึงเงเี้ยเสียเนี่เสียเี้ึงสิพรานิพานก้อนูมันวางกันเนาะมันกะชิบอยู่หันมึงกับว่าเสียตวัวเะว่ากัมมุนิลาวขาจะโตโรคหัวแล้วโรคนไปตามกำทูมีผิวขาวหันค่ะนี้นยังจะชอบอเจ้าขางาขาวหันมี่จิตทองใสหันกงกันข้ามมันทูกเกิดตะกูนจ้ำหัน คนเี่ยนจมูกเกิดตระกูลสูงคือการมัดก็บพาอกรรมมันจำเนกซัดเลยไปต่างๆผลของกรรมมันจำเนกดังเจ้าาสตก้อนเขาปหาพวกเนี่ผู้บาอาการพระเจ้ากระสงฆ์มุขจักเขารบนนบวยตีตนเสมอมัดไพรกับบุหูท่อโตไพรกับบารีท่อโตท่านทาพึ่งพายเหยียบไปมัดไปคนทางกับบพผิด พระเจ้าผสมเราฝีผู้เฒ่าผู้แก่เหยียบโค้มไปมดท่าาพึ่อ้ายองอาจพระอบอกว่าเขาหูกลกำปมมกั้นพร้อม่าใช่เันจะเกิดตระกูลต่ำผูจะเกิดตระกูลสูงกงกันขามเหตุใันสมเด็จทวารมลาท่ายังได้เกิดตระกูลสูงศาสตรกรณ์เข้าลบชุดก็ลบอย่เก่งอยูุ่ดเขาเห็นกับซากใช่ปัจจุบันนี่หละหลวงปู้มันนี่ นังสือที่นี่นําล่เดย่เอาหนังสือเช็บซื้อเขนซื้อแกวซื้อยังกระชังบ่เอาลงกระนเด๋เอาลงกระนลงปูมาเอาไปเช็ดก้นกับมเช็ดเดี๋ยวนี้นำวัดกับมาหยีบไถิ่มาละชาใช่เถอะเขาเทาเก็บไปเก็บไปสมไฟหลวงปู่มหานี่สอบเนี่ยเนี่ยห้าหพระเลือหลวงปู่มหาเป็นมือวเดีเข้าอยู่บหลงปือพยิบไปตีมือทั่วทุกที่ตัวในลําบรร กูหาหายไอโม่เรลืออยู่คุยจักพ่อแม่คู่บ่าอาจารย์เป็นยันีงเข้ากับรักษาพนเระบอกหายพนจะปากจะบอกยังขงสัตเลยิลท้ทั่วประเทศทั่วเรียสมัยนั้นหกพัจกาจยนะนี่ยคุณพักกาจ ย, ยาน่ะ ย, ยุยาพกกกายน่ะขนจินแ้วทินน้มนวัดมัน่นโอ้ยเขาส ม, มุดพร อ, องค์เก่ามาสื่อมาขายหุ่พักกาจ ย, ยาน่ ะ, ยยนะวมันที่เราแต่ชุดเก่าก่อคลิปก่ิปเอ็กกสอง ค <N> นเห็นเนิ่นเนยับไปถวายพระเพิ่อในส ม, มุดในสายสือ้อนําพนเพนแล้วว่าพระกระจ่ายจนียเนี่ยว่าทเขาเอามาเป็นของสื่อของขายคนกินเล้วยกินทั่วที่เพื่อแดนนสัเข้านี่ว่าได้แล้วว่าทำทาห้องบอลลองนสังเห็นน้องห้องบรล ง, ง, ง, ง, ง, ง, งน้่มนะสัยับไปเผาไฟเดวอดเป็นพารบปเขาพุทธลูกตัองสิหลือผู้มันว่า นี่ พ, พรุทธหลบเนี่ยนี่ลาขวางงสิหลวงปู่มันเม่อเดีดไปนัง่งคันหลังใจสันตหันนี่นั่งเลี่ยงไปสัางเอือนผู้ตาพาก็บ่รตาใกล้ตาใกล้พระพุทธรลบตาเามันอือนผู้เกิบก็บ่ระไเขาไปใกล้ท้อหัวมันนอนพพุทธก็บพรออไปไหวพระพุทธรูบเอาไปไห ว, วในห้งเสียก็เลิกเกาหันก็เลิกเกานีอยู่ว่าสันคนว่าเอาอพรเขารบว่าสันเอา เขาจะเอาไว้ก็เทียหอมเป็นมุกไว้ตั้งหาติเป็นดอไปวายไปชักไปไหวเลยเป็นมุก้ตั้งหา ก, าากปากิด ป, ป, ประตูปมนะจ๊ะห้าเที่ยกองกูดกองกอยอยู่ไว้หางเทียวกองน้าก้นก น, กน้าดัาาพกพว ก, ว น, กพนี้ไว้สิหือเก่าน้ำกกขาพวกนี้ไว้สิเขาประสบไปยึดต้นหัวอย่างเงี้ยทีอะไรไว้สิามบมี่หกพระเจ้าพระสงฆ์ติดที่น้ำพวกเสาหลวงพ่อห ม, อนอมันบูมีวัดหลวงู่อมหา บ, บูมี หลวงู้มหาเอาตาม ป, ปริปทาของหลวงูมันบัดอื่นโอ้ยจะว่เป็นตะอุกตางไปเห็นน่ะท อ, องหูบค้นทองหุบขะหูบเจ้าของเอาไว้สูงก็หูบพระพุทธรูกกปกรปานลดอานกับ่ออกหลวงผู้มันเข้ารบเจ้าสันเหตุไรสันเพื่อนตายแลยจังมีผู้เข้ารบเพื่อนหลายนั่นมันเห็นกับซากถือว่าอย่างไรัน กะว่าลูกทิดลูกผู้มนันว่ายมม่มลูกูมันอ้มมนมอยบ่กินข้าวกะอิ่มแน่นหมอหยาดกันเป็นกับพานผู้บ่เห็นทิศอะไยินแต่ขา้าวกะว่าตัวเป็นลูกทิดกะว่าตัวเป็นยมพระกระไรเนนกระไรนั่ น, นเหนกับศาตเห็นหมอคนจะเข้ารเพลายนะ่ะเห็ น, หนอันนี้สมกับศาตได้เรื่องนี่กรรมและผลของกร่ม ตูวมือเนี่โอ้ยขึ้นเิงไปยังนังซื้อพิมเนี่ลอกปูมันเนียหเบิ้งแล้วับไปเบิ้งเลยเพื่อนเสียงเราไม่ได้จะพ่ายแหละผู้ยิ่งยุหันก็มีแม่นางแอบกินยุหันล่ะบอกอสัตะเพลน่อย่างงัวงไก่หน้าอย่างไก่เข่าแม่นางสมุดอันนั้นม่นงสมุดอันนี้ยุหันละอสัเป็นอวัทุกด์งจักรบอกอสัญตัวล็อกปูหมันไม่คล่ง่ายๆบอก ที่เป si ็นเบื่อนซื <Eine y S 2> ้อพี <S <S <treated seats> ่มาเพื่อนเห็นไหนบาทั้งโลกตัวหั่นกิตติานคาถาบองจักบอกหลวงพ่อหลวงพ่อหลวคพ่อหลวงพ่อเรื่องรูปเรื่องเลี้ยเนี่ยมันเกิดมาที่หลังหลวงพ่หมันนี้จะกี่ปีน่นี่นี่เออคือเพืนตัวอกพุทเห็นกัจตาน ชอบพูดถึงยนอาตุไกรเนี่ยบานน้องเพือมีมานางเนี่ยไปบินธบาทเ่ตอกนั้นก็มีมาเมื่นึงตอกนั่นก็มีมาเมื่นึตอกนั่นก็มีมาเ่นึเขาตีละครั้งเนื้อหมเศร้ามากเนื้อหมูเศร้ามากเขาก็ตีละครั้งเกียมตัวเกิสมข่วนเกี่ยมตัวเนี่ยตัวย่มว่ามันละครั้งแล้ขอเขาขอใหม่แค้นแบบนี้หนออบัดต นี่แปลว่าเขาตีเกียมตัวัวงานโน้มตีขั้งที่สองนี่อีกถึงเวล่าพระือมาแหละมีถบายก็ตี่งเพ่งเพ่งอีกขอ้อพระก็ออกไปแหละเ mm hmm. ้น่อตีเพิ่มก็ไปจากเวลาเพิ่นต้องตีเตือนเขาเพรเขาตีขั้งที่สามนี่เมื่อพระเขาเขาในบ้านาเนี่ก็ขาี้จอกเฮตมาไว้ได้ไง เฮตมาเป็นระยะระยะระยะไปคระปยืนม bon ัทนห่ะเขามาสู้กันอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบคนม่สามบอลมายืนวินทบายแล้วฝนเกิดเขามาเฮตมาคนหนึงตั้งหานกูเก่าอีกอยู่พระทรงมีตำแหน่งเป็น้นาานายเขาฝังสดีนรจให้ทอดถ้ามือได้ฝนตกลิ้นเขาใส่บาตเมือนลกับมานังมาให้ทอด อายุวนโน้สุงพลังขนาดนั้นคือท like <ım> ี่โยยิวัดทนทศพรโลกโอ้ล่ะหอดอายุวนโน้สุงลังรอกวาาตุภวุกับวาดอกยากไปมากพูนอีเราเขาบนั่ไปซ่งอาหารก็มีได้เขาเขาโมกเหองใส่เดี๋ยันะก็มีอยมเนยยดแปดคนนําไปล่างบาทรวมากพูดมาพูดไกันเหนือวิวลาคนนังหน่ยขาน่ เพิ่นไว้ดีทีไวแต่ตัวจะถึงว่าจะตีนนวันเอะเพิ่นเอาพาไปเอาพาเขาไปแค่ไหนเอาไปพาขาไปแค่ไหะเอากินไสไปห้องให่เ่นเอาไปไว้เพิ่นมาเพิ่นนั่งเพิ่นมาเพิ่นเข้าใจว่าเขาจะให้เพิ่นหยาเพินอ่อนทีลงปูใหม่เพิ่นเกียบแล้วคะเนี่ยผมเพิ่นบอกจะใส่หัวขดเด้หยาเพิ่นหันก็นั่งเอาขาห้อยเท้าให้พอนบัดเพิ่นรับลังเมื่อบ้านแล้ สับหลังกับวันเนี่ยพ่อพูดเราไปใหญ่มือใ่้หนิมีสูตรก็ดีไม่แห้งเราไปดูซาทีซาดว่านเถาปฏิบัติใกล้คลิปได้ให้เนิไปดูซาสองสามมือหน่อยวันนี้เิหัดคนหน่ะวันนี้เพื่อนเเรียกพ่อพูดเขาไปพ่อพูดได้คันตัวีริงแครับอถ้าวามาปฏิบัติเลย เขาือวาหลวงปูมังตีตนเขาือวาอาจารย์มันเป็น ท, ที่พ่อนอื่นหลวงปูมันเขาือวาอาจารย์มันโคฟอพระพุธดีประพุทเจ้าตีตนเที่ยมพระพุทธเจ้าไปหยาบห้อยให้เขาเออกไปบูซามันเชียไปเท่าไรหันะะเอาห้อยพระพุทธเจ้าหุ่นยังมาบูซาห้อยท่านห้อยชิ้นห้อยพ่อหน้าพ่อหยบเลยนี่ออยยตัวเนี่ยเดินหอยจะแซมมาอี ก, กวะเ น, น, นี่ยหลวงปูมังเกณฑ์ไฟนั่นนี่โวยโต้ข้นขันอายุสามิบ มันฝ่าราชสิหคือต้กฟ้่าอุล่ะมันเถิงไกไล่หอืบลูกๆเ ห, ยเหียนเนียนี่มันทกกรมี่วงไหนนี่ดอกหลังจากเพื่อนมานี่ยแล้วกังลบกปูหมันมาเนี่นหลวปู่มหาแจงซื้อแจงสลัดื่อนยังเนี่พพีกออกน้อยเดี๋ยวหนึง่งขั้นว่าพีกออกมันทับคูบ่าอาการพูกแก่ข้อพ้นออกไปด้วย ข้างจานดีเอื้อนเพื่อนไปจักไไปจักจ่ายอยูะกว่าน้องเพื่อที่หลวนก็อหิบไปเหี่ยง่ะยขันเอาไปโดนเอาไปใช้มื่กีเขาขาบดหนองออกตัวเลยเนี่ยหพ่เผาไว้ใช่มันเขากระบาขาดเลยหเอาไปโดนมันกีับบผิดกฎมยนี้ตัวละเอาไปสมัชชกลที่แรกเขาขามืออเก็ตโตมันบอิ่มกันยีเขาเพิ่มขึ้นอีกมือและซิบเอโตถือว่าจังไระไมน่ะมือและซิบเอโต เก็บครไป้มเดือนนี่ฮะเนี่เก็บคเก็บไปสาเดือนเพิ่มขึ้นอีกเก็บแปดเก้าิบสิบเอ็ดเพิ่มขึ้นอีกซีฮะนี่อัศีไปพูดเก้าสิบนเนี่ยื่อเก้าสามช่อสา้ยหกสิบตัวว่างเลยสั่งหลวงู่มหาพิกออกน้อยเดียวนึ่งน่ะพันกพิชกออกมันไปทักคู่บานอาการผู้จับมือเสื่อมคนออกไปึงอ่า ชิดด้วยเดี๋ยวเธอร้กันในยุค บ, บ้านน้องพื้นสองพันสี่รอแปอพระตายสององค์องค์หนึง่งกอบพันชาองค์ห น, น, น, นึ่งสแปดพันศาพรากันเนี่ยมันโค้งหน้ามนุนก็ตายแม่มือนั่นพาถวายพระเพิ่งแม่มือน่ยยุมาะยุมาะไนี่ ทางพัามาเก็ใกล้อาพ่ฒนานี่เพ่ในการสอตายแทำเอกเอาพาเนี่ถอยพวพวกนั้นมันนคือกั้น่ะนหนักเปูนหินข่าววันเก่าเนี่น่นยกมากนะใช่ัาวัีเนีือเผาอูประจาวันนี้ใ่ไ นี่พระอานนนไปถามผู้นั้นตายไปแล้วไปใไซผู้นั้นตายไปแล้วไปไซท่านไฝ่บกขาดจักมือวัดเขตตะวันมหาวิหารเพราะมันเป็นซุ้มท่าของพระบนหันเดชสันจึงว่าสาวัตถียังสาวัตถียังในประตูเพราะพระพุทธเจ้าอยู่หันยี่สิบผาปัญชัดดิมันไ่อยู่ลวดเดียวลบไปลบมาอยู่ร่วมกับการเป็นยี่สิบผาปัชัดอยู่หลายกรมูเดชสันในบาลีจึงอ่างว่าสาวัตถียันวิหารรติ เอวเมฆชื่อังเอกังสุปยังปะควาสาวตีเอวเมฆชือดังแต่ว่าข้าพเจ้าชื่ว่าพระอนุลชื่ังอันว่าสูตรอันนี้เมมายาอันพวกข้าหาได้รับฟังมาอย่างนี้เพราะยุหันหลายกมูด้เอา้าพระพุทธเจ้าห้าใจขอสูพคนนี้ผานใน้าคืนใน้าคืนเนาะ มั่นลกกะกษัตร์เนี่นพ้าเจ้าออกมาถวายพระเพิ่อกมันกกกกน่นละกษัตริย์พวกกษัตริย์เน่ะเมื่องทุศนารานะ่ะเอาไส้ไปถวายพระเพื่อพระองค์เจ้ามันบา้าพระอนุรุธะเขา้างนเมื่อพระอนุุทธะอ อ, ออกจาก้ามาแล้วุกาทูกบนเออมัเป็ น, ล, น, าานลกเนาะเทวดาไตมือนลกระถางบนดานบหไหมก็พระมหากัตต ะ, ะกาลังมาอยู่วพร้อมด้วยพระทุราร้ยองค์ เมื่อพระมาหากษตรป้ามาหอดแล้วหองจังเลยครับองค์พระใช้ก็ไม่ได้จูดบ่ก็มีกิ่งเมือนี่นันพี่เก็พระมหากษตรปาก็เลยมาหอดมาหอดก็เลยกาบทุ่นข้าไปก้าวโอ้ยข้าไปเก่าเป็นผูโยนี่ปลาโบไข่หน่มารับไอ่รับสอยพระองค์เก้าเถดหลดเก่าอันใดมี่จงทรงพระรุณาเถิด ก็เลยถอยออกไปให้กาบก็มูนะข้าลูกติดกาบถ้าไฟไฟลูกเพิกงอมบอสักหนึ่งเทวดาเล่บันดาเนี่ยพรพอมหากราวาลยังท่านละไส้ร่างเล็ดเลยไส้ปิดฝาลำเล็ดสวยมั่นฟาบาทพระองค์เก้ายกขึ้นเอื่อศักดิ์ยกขึ้นยกบูบูขึ้นจากที่นอันบูอันนันมันล็พระองค์เก่าบอเทวดาบรรดา บูขึ้นข้างลกนึนยกขึ้นหนึงที่ยกขึ้นเข้ารถยกขึ้นหนึ่ง่าบาโตรก่กูรูปุกลุรูปุบลกับพระนี้ก็บปิดตามเดิมเพราะเทวดาบรนดาเนี่ยวามันริษพ้ององค์เจาพมหาก็จะปิากเขเพาะออกมาเขาออกมาไฟกระพึบขึ้นโหลดม่โหลดนั่นมือห้าจะเอาไว้ทาพระมหากษัตรเหม็นหมดสตัวคนอันนี้เป็นฮักเหมือนอีก่น พระพุทธเจ้าจะแทรกกับคำหลังเหรอวะท่าอยู่วัดแจ้งเลยหลวงปู่ใหม่ที่นี่ที่หลวงปู่ ม, มหาแจ้งซสือนหลวงปู่ ม, มหาฉลาดนี่ในยุคบรรพสองพันสี่้องแปดสิบเก้าก็มีพระมาน า, มาณนาพระสององค์แต่พระกระเลยแต่ทั่งเอื้นการทำชาประนิกิจทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นกวา้าชขันวาจะสั่นโลกกระแทกเสมอนแนนมโลกกระแทกขันวาถวายพระเพื่งในวันนั้ ลกกระเจสูงเยอะก้าวผุอดวะลูกูมันนี่บ่เขาใบุญอุทิศวะเหรอ่วนเหลถ้ามุอุทิศให้ผู้ตายนี่มันคือเพาไว้แค่่มันลูกปูมันอยากให้บุทิตายจะปุวยคนบ่มันจะไปหันม่หอ่ะซอ่งมืออใคร่ไดนแคนแน่ตอนนี้ใคไหนค่คนอ่ะเอาไว้จนโดน เว้ีแต่เอาไว้โดนโดนเท่าน่ะแต่นั่นมาแล้วพูดจังไงเอาไว้สองปีสามปีกับมี่สี่เดือนหาเดือนก็มี่กินน้ำอรุณรมกันยุหันเลยธรมะทํามาทํามอยุหันมื่อรเอาไปนึกเคื่อนละนอนรู้พวกไข้ก็้ายจะโทษเคลื่อนมาเคื่อนว่าขาพระเจ้าพระสงฆมั่นะ พุทธาพพุทธาพิเศษนี่เจว่ า, าผิดเพลนคนไหเวยหลวงพ่มันเอาพระพุทธลูกมานี่เอาแก้หูกแก้ตาเฮ้ยพวกเพลิดก็สัตว่ผลมาพอได้แก้พระในหยังพระทงหูก้อนห้าวพระเขาฟูพระใน้ากูว่าสันั่ น, น, น, น, นไปสมุดบวทในเพิ่ น, นทน่านีป็นสมุดให้จสิปุกคนเทสิบหรือกันัว้าถือกปฏิบัตพระเถ่ปุกคนนี้างพรลูกก้อนหาอ้าวเขาฟูพระในฟาแล้วว่าสัพวกเพลดพวกนีว่าสัมมิปฏิบัาของคน จะเปแก้วหูแก hmm, ้วตาจสมุดบวชชนมู่ยพ่นบวชก่อนห้องแล้ววะสมุดเปพระพุทธเจ้าเลจะเป็นไม้ก็ใช่สิเป็นห่ระจา์จะเป็นท้องก็ตามนกก็แล้วท่านกว่นยจะเป็หตยังันไ้เว่า้ิเนี่ยจะไป็ั้นที่ตีตองต่องนันงย่างนี่เปิดปุ๊บเปิดเข้าดีวก็เพลินหมดนางฟกนางเพชรไปน่งฟกให้พระพุทธเจ้าขังเพลินขังห้อหันเพลินว่าโองสเี่ยเรื่องนางฟกก็ดีเรื่องพุทธาพิเศษก็ดี มันมีมาหลังนี่ดอกมันมีเพราะเ ห, หะตดไดเขาต้อง ก, การตรงงัวงอเขาละเอื่ น, นา ห, าหัวจกกักบอกนี่สำนักหลวงปูมหาเหตุเครือบอกสำนักหลวงปูเถิดไม่นนะีนน้เหตุเตถิอะไรนี่ถือว่าจะเอาไปดฏิรัยสำนักหลวงปูฝันพ้นบริเหตได้หลวงปูฝันจะคุณพีสานี่เหตุจะคุณพีสารลวงละเมิดคนหลอกเห็ดใดจะงอยเพื่อกระโจมอยู่หลวงปูฝันอลานคนเนึง่งคุณพีสาร นี่ยู่มากยู่มานี่ก็เอาเลยเด้บาเนี้ยลูกเลี้ยงุดที่นั่นชุดที่นีุ่ดที่นั่นุดที่นี่เอาฮะนี่ปฏิปักษ์ของหลวงปู่มันสู้บริจาคบมีอยู่ในวัดด้วยเมื่อในหวยออหรือ่างหลวงปู่มหาดูมบ่บุเด้น่น่กผู้ที่เอาเป็นอย่างยไบนอื่นเรามีบัดเดือดละห่อยหลวงปู่มันบ่เห็ด ไปให้มูไล้เชื้ออะไผู้ขาอันมูผู้หนอยก็โตมูผู้หนึ่นสุุท้าอเพวอนาแก่เอนผ้ขาไปให้เช่นนอยพระพุทธลูกพระพุทธลูกกับบาตรป็ตั้งไวบาตเป็นตั้งไวกระจงงแววะท่นโตนั่นว่านพระพุทธลูกกับไปบินทบาทกินพระพุทธเจ้าภาาไปบินทบาทกินตัวว่านพระพุทธรูปนี่พระพุทธเจ้ า, กกากกนี่ยส้งบาตด้วยวัฒนาจักรของ ขอเงันขอข้านะามีเงือนงขึ้นหมอว่าใช่เมื่กัแสดงพระพุทธเจ้าถ้าขอเงินขอข้ามนะว่มีเงื่อนงขึ้นี่ว่าประเทดฝูงประเทศหนังมันบาดตายลูงฟู่หมันว่าพรเฮ็ดเลยพราะว่าแล้ว่าลูกทิศลูกู่หมันมเฮ็ดตายยังท่นว่าท่านอะไรวา่านให้ลปาด้หรอขโมยล่องว่าลูกปลาขโมยล่อเฮ็ดเยอะเขเสียง มูอเดียวก็โตทีละมูอเดียวกันนี่ละแค่ข้าเจ้าะชาอ่อนกวาดพราแก้กาากตัวสาวาตัวตู้เข็มตู้บริจาคไว้ในวันได้ว่าดีแล้วตัิเอาใบตองแค่บบบบัดอันใสอัามปนได้หลายสิป้อนใส่บังนีวะสิตัวใบคมุนยับใส่ไหวเยสินัน <c oughs> <c oughs> นี้ตู้บริจาคมันยู่ใจเขาหัน้เขาขายเขาขายใจเขาหาันเขาก็เปิดทันละ มันก็หายเอาไใช้ก็ได้อยู่มหาเถรจะไปเหตุอะไรกันฉันไหไรในวัดจนว่าเาบริจาคสันเขียนมาหันโว้ยมันกับของเงินจะมงไม่ขึ้นแล้วสันตัวหลวปู่มหาไเห็นเยหลวปู่เทรก่เห็นเลยหลวปู่เศรัวนี้บุญนี่วันอื่นไม่บัดนะายา งูมากข้นทิ่มาหล่อบ <laughs> ุ่งโตกับพเจ้าหลังมาแต่กรอนเหมือนวางชิปปี้นั่งงูตายเล่ขันขันดาไปเอาบาดมาตั้งไว้เพราะพุทธลูกไพมากเลเขาใส่ใส่บาดหนึ่งเจ้าหมาเอามาทำไมเอาไปเสียเอามาเอาสั่งเอาจะควงลงเหี้ยก่นก็จะโ่ควงลงเหี้ยมันปฏิบาร์ข้าวเสียเอานี้วันจะเลี้ยวต้องบาอกันจัง่อยังเนี้วมากเลยปีตีขึ้นเว้ย มันไก่กั น, นยืนคือเกินไกลคือว่าชียื้อปลาย่างคือสูงเลยสมัยสมืยเลยเขามานัในหลวงพูเทศเฮ็ดดึงไว้พระนจุดงกรรมฐานพระเจ้าดงกรรมฐานเปวัดของหลวงพูเทศเป็นเฮ็ดเป็นเฮ็ดแบกกฎดเป็นเฮ็ดผู้ภาพแบบกฎจะนำปกเห็นหมดเป็นเฮ็ดดึงไว้สมันนี่ยมันภผ่้าไปเฮ็ดบุปผดไผ่คือปืนกลเนี่ยบุปผาไผ่เยเ่ยตะกีแบกดิ แบกกดสะพายกดบนหัวด้่เดี๋ยวนี้ปันปืนคนลหละพ่ายจำราบจาราบหลวปู่เทพ ป, ประเทศไว้ใ ห, หยังเฮ็ดเป็นส่นเฮ็ดพระสุดงกรรมฐานเฮ็ดไรนาพกเฮ็ดเฮ็ดดึงให้ลูกชิดลูกตัวกุลวุฒิสุดถ่ายพ้าหลังเ <c ười> บ่ได้แบกเ่ได้พ่ายนี้ถึมื่อนเอาคอสื้อมากรพ่ายมันจึงคือคล้องลายไปเลย่น ผ <laughs> ืนคนเหรอเออมันมวงแหวนที่อ่ะน่ยไปเที่ยวก็ร้องฟูมหาเที่ยงสมัยย่เรื่องรูมันรมเรยนหกมาหอกไปไปทีเดียวตอนน่ะไปเรียนทีอกขมาเรียนี่สองห่างแห<ม>เรหกข ก, กับขมาเพ่อนแต่หนันีปเป็นระแนบอกตักแจ้งของไงอ่ะแจ้งของน่งเดี อย่างคนเสียบรองต้นเบิ้ลอืไม่ไ n ้อก็คือตีห่งไม่ใชีคนของได้เรื่องของพียงคนานังสือตัวไป่ก็คืดักก็นังสือข่าวอะไรสนึ่งตัวนก็มี่ อย่าพูดอะไรเูว่ตายนี่เอาถ้าได้รู้หลวงปู่มันหลวงพ่อพุทธรู้ที่สัางขันว่าไปนั่งตันไหนวะพุทธรู้ใครว่าเขาก็ได้ตามได้ไหวตัวนึกไปนั่งขวบหลพุทธลูกอ๋องป่องนึกว่าสันเอะเอะเป็นเขาไววะสันเพื่านว่า ผูหวั่นใช่มื่อกได้กล่าวเีว้ตัวในวันหผู้หันเ่อสัมิเ็นมกวั่มุกเทดผุดไฮ้ยมาหาไปเท็ดกระมูกไปเทดเทดเอาน้อยเนี่ยน่อยห่อหลอกเอาเสียงสัพพุทสุลุกล้วเอาผามานกังหยัยวนี้วันพระวันเจ้าตัลงอูบสถดลุงสมมันเขเปิดออกแล้วลงสัมมของคน โมงีพุธูด้ล่หมาไไว้ด้ลวงสานียพระพุทธรูปนี่ว่าถือก็เพล่นล่ะอันนี้ว่ามันผู้ขาเตุได้เนี่ผู้ขามาแซงวอาพุทธรูปยื้อซื้อได้มันแหละตะางในผลพุทธรูปองค์อันซุ่มเอามาใหม่นี่ยเขาจะออกมาขามไม่แหย่คนยู้อือได้เนี่ยนเกิดก้อนผู้ขา่ะพุทธรูปองค์บสผู้ขามาสั่งเลยพุทธรูป เอาอยูโล่งสรรโล่งสรรพอมี น, นี่นี่อยู่หามบ่ให้กาพะวายกันเปอนว่ามันกุ๊กเก ย, ย์อันตรีกาพะวากันแต่กาพะวายยีน่นี่โล่งของพจน์ต่างหากเพุทธปติมาก่อนฆาลวาตาพุทธฆาลวาต า, อาเอาเองเฉงดังเฉงแห้งเนี่ยใส้พระพุทธรูกกระพิษเ้วกันมันมาถือก็เพลนเห็นแวสันลงปู่มหาเพืนเ่นจะเหตุมุกไปตั้งหา อันนี้ก็การที่เฮ็ดมกกระตั้งหา้หงงาหงของพร ะ, ะพรามนั่งานมอตัวแฉ่เพรแห้งลละเพแห้งังอ๋อเรื่องลรงครัววรคร้วนี่ในวัดทำไมลง่งู้หมั น, นมุงี้เด้หลวพ่เฮ็ดเด้ล่งครัวอยู่ในวัดปุิดแท้ๆกับล่งผู้หมันพะนุ่มมันมีล่องขั้ว้อันลงไฟต้นน้ำพอน้นำอาบถึงแม่นอยู่ ที่เป็นแดงแดงแดงดัง เ, ง เ, งเงางอาขมาในวัดแม่ว่าเธ่ละตวมือเนี่เป็นมัดแสลอ์บาทเนี่ย <š. S 1> มัดอรรดตัวนี้ไม่ร่วงควไม่หัวงอเขาไปยืดในหันแห้ ง, ห, ดด ง, ง, งหัวดำเปืงง้อนเงียบเปื้องียบราบตายยัวรวะเนาะอันมือนี่มันเป็นมัดโลกเลยเดี๋ยวนี้หลวงปู่มหาเอาไว้ใส่ที่สุดจำเป็ น, นเอ้าเมื่อามื่อีนี่ยไได้ยในหัววัดได้สไหมลวงปู่ห่ พดเว่าที่ได้งอยงไกลหน้าเรียงมากไก้เขาว่งสดเขามาใกล้สะมันแนยรักรักษาพระเท่าเนังพระนมแอบกิน่เชียงูเชียงตาเบ่งกันนี่ันละเสดย่งน้ก้นย่งดาเขายู่หันละเสดหลวงู่มาโนรอนเะรด้พระเนี้ยนี่จะไปจิตตอก็ไม่เขาได้บ่แต่เขาทักสบาดบ่แล้วเขาทักลาตะโคดแอวตาแตกวะมี่บ่หัดเอาองค์เเปี่ยบ่เดไปบุญมาไว้เขายังเสดตัวยังคอยบ่ ลบปูนี้สมัยสมัยนีมันมีมีความไพ่าไหร่แต่เขาโยนอกผ่เด็นมารักษาเขามันก็บม bon ่ได้แล <is> ้วสมัยน <ham> like ี้ผมว่าไฟรอบด้านสินี่ก็ต้องรักษาเขาสิครับผมอนนี้ดีด้วยสำหรับรักษาก็ะปิดอันตรายี่ีดมันก็คือแม่ขาอันแม่ขาบานหัวไส้ม่เป็นท่าน้ะแม่เขาบานหัวไส้นี่วงตระกูลฮองเขาเจ้ามันมีเหมือิเด้เจ้าูคนะงเลยอยู่ฝากธงถืวกุนในแก้วมัได้อยู่ในวัดเนย ในบ้านขาเจ้าอยหันพงกาวปานขาเจ้าขอย่หันพี่น้องขาเจ้าเต็มบ้านนพวกื้อ mm hmm. ขาวคุ้แม่แก้วนี่แมนบวมิภะขาเจ้าก่าเลี่ยเขาเจ้าพุ่มอยู่มันเป็นนักทัพย์นี่ฮะนี่จะพระในอาศัยขาเจ้านี่เป็นพวกึ่งต่าหาพวกอี๋ถือเค่งนี่พวกแม่ขาวซุ้มหนึง่งถันไปเค่งนี่แมขาวซุ้มออกจากอง้งของหลวงู่มันไปแล้วเอานาคู่บ่าอาจารย์ตะขาย คู่ว่ายอยากดื่ยาเม้าเสตัวไปแช่แยู่คู่บ่ายอยากกินหวานแพ้บอกเ้ล่าแพ้น์นาำตัดทรายซะเด้นี้เป็นสัตว์เด้นกกากว่งของหลวงปู่มันโอ้แม่เขาหลวงปู่เทพเรียบร้อยดีเหมือนกันคนบงังคับของคนไหนเนี่ยของหลวงปู่มหาจะเรียบรอย้อยอี่ไม่ไรด้ดีล่ะส่วอื่นมันจะานมาตั้เกิดเกลื่อนนี คนไหนขโมยทำไมโอ้ยขอวัดปฏิบัติของหลวงปู่ใหมั่มันมาเป็นของง่ายๆสิเรียกคนมาประสมในวัดนะว่าเพื่อยบ ก, กระเป๋าสิบมุมี้พระเอาเสมอมีไรเนี่ยเอาเดย นนเขาค่ายวลาถูกโทษข้อมูคนมากจงระวังปากกระสันภาษิบบาลบาลีว่าถ้าคนมากจงระวังปากเนอะกุตติวิหารบ่ไดีดีละงบพูดงังมาใช้ใช้มัดอาตมามานกัง เน่าหนันเป็นคนสู้พง่งชื่อว่าสู้พง่งอยู่ร่วงรถจักรดีเซนเป็นนายสร้างกลุ่นที่นึงเราไปซื้อรถผุ่นฮอดประเทศเบียนฟอดผุนเราไปซื้อหัวรถจักรไว้ามาเรามาหนีสามทีเถื่อนเื่อนใช่ัญหาทั้ง น, นั้ กุฏิของหลวงปู่ก็กุฏิกุฏิของหลวงปู่ม่นอันไหนดีเออกุฏิของหลวงปู่ม่านน่ะมันดีเออกุฏิข้างในของท่านดีแต่กุฏิข้างนอกของท่านไม่ดีดอกนี่กุฏิของอัตมาดีเสียท่านกุฏิข้างนอกแต่กุฏิข้างในไม่ดีเสียท่านคือกุฏิไก่แกงหัวเราก็ได้รอที่กุฏิอาหารที่มันได้มามากๆมันเป็นด้วยบุญของใครเรา ก็เป็นด้วยบุญของหมู่เพื่อนนักภูบาอาการนักประชาช น, ท, นทุกท่านทุกคนเ ท, ท่าที่มี่เจรจาผลทุด ท, ท่านก็เป็นบุญของพระพุทธตามประสงค์สำนักอัตมายังไมารับดอกนั่นหม่ยถือว่าเป็นบุญและเป็นบาสด้วยอยู่พิเศษแกงหังวงอิสุตังที่นี่มาปฏิบัติว่าเป็นศาสตร์านนี่ ไม่ได้มุ่งปัจจัยสี่หรอกคุณในพรามหาขันธ์ท่านก็บอกแล้วถ้าท่านผู้ใดมุ่งปฏิบัติผู้ปัจจัยสี่ผู้นั้นก็ไม่สามารถจะสําเร็จนับผลยผุภานท่านใดข่านหนึ่งใ น, นปัจจุบันในชาตได้มีข้อหนึ่งข้อหนึ่งอีกเมื่อปัจจัยสี่เราจะมุ่งสักเพียงใดถ้าเขาไม่ให้มันก็ไม่ได้เราจะไม่มุ่งแต่เขาให้มันก็ได้ ให้ด้วยมาให้มันอยู่กับเขาไม่ใช่เราเป็นกิตปัจจัยสี่อันนี้ข้อหนึ่ข้อหนึ่งอีกด้านจิตใจนะึงถ้าผู้ใดจะพึ่งพรมจันทพ่วมุ่งปัจจัยสี่ผู้นั้นไม่สามารถจะถึงวัตคผลยิ่พานท่้นใดท่านหนึ่งได้นับแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปก็มีในมหาศาลแค่เพีังท่านคุนลึกไปหนะ่ะ ก็ต้องกินเปน็นน้ำชาไม่ดีในพระวินัิกษูองค์ใดจะไปเที่ยวในทิศทั้งสี่แล้วถ้าเราอยู่ที่นี่จะมีราบอามิตรมากถ้าเราไปข้างหน้าก็จะมีราบอามิตรมากอยู่ที่ไหนไปที่ไหนในส่วนนี้ก็ต้องเป็นอาบัตทุกกฎทุกก้าวที่ออกเดินและทุกที่นั่งทุกขณะกิจส่วนอาบัตอันอื่นถ้าเราไปทําผิดอีกก็ผิดส่วนอาบัตอันนี้แสดงไม่ตกเลยเพรพะมีเจะนายอย่างนั้นคือที่เจ้า จะอยู่ไหนไปไหนก็ตามเถิดให้ตั้งไว้ว่าจะอยู่ของเก่าก็ตามจะไปที่ไหนก็ตามเราจะพยายามทําจิตใจให้พนทุกข์ในวาตะสงสารถ้ามีเจตนาอย่างนั้นถูกขาดจอผ่าดอยู่ในคันทันสนาลแล้วอยากไปที่ไหนก็จงไปเถิด อ, อยากอยู่ที่ไหนก็จงอยู่เถิด อ, อยู่เถไม่เป็นเล ไ, ไม่มีโทษเลยสิ่งอื่นก็เป็นปัญหาที่ขาดไปด้วยกันด้วยครับถ้าได้ ว่ามันเข็ดเพราะมันเข็ดกว่าสามธรรมพิกษุเป็นผู้เห็นภัยในวัดเจ้าท o ง g สารเรียกว่าพิกษุผู้ใดเห็นภัยในวัดเจ้าท ong สารเรียกว่าพิสุจะเป็นหัวเรานําหัวขาวก็ตามจะเป็นเพศฆราวาสก็ตามจะเป็นเพศมันมาชิดก็ตามผู้เห็นภัยในวัดเจ้าท ong สารอย่างที่ที่ก็คือนั่นแหละคู่นั้นแหละเป็นพิกษุ ครับเจ้พระสัวดาวันขึ้นไปแล้วผู้ชนไทยในวตาตะสงครามยางเต็มที่ช่วงนั้นมันก็มีได้วาลวเยวายลายลลว่าแต่กูพิงก็หลายๆละกูรอดห่วงขึ้นไ ป, ปนนนนนกูติดทีขึ้นล่วนเนี่ยไม่นอมกอกำลังรอของวายุกทีขึ้นหมดแล้ะเ <c oughs> ข้าไหนจะรื้มตัวเข้าเสียจะรืมตัวคือสังเนี่น <c oughs> ไนยไม่ ย, ยอมผมาอันนี้จังนี้เข้าไหกันดีกจยันเต็มที่เข้าเสียเสียกจยันเต็มที่เพราะว่าด้ะเทศชนะอันนี้จังนี้ด้พเทศชนา คำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต้นถอนในธรรมะแห่งที่ในช่างที่ชอบดฝ่ายสอนให้รีบเปล่งเบือนายคายเมาในวัตาสงารไดไปน่งจนานอยู่ใรุมทานเพิ่มนอนอยู่นรุมทานเพิ่มไงไรสั่นแล้วพบเลเด้อพุทธเจ้าวางัย่าชกพาไปนอนอีกเด้อเวดวนที่สุดเด้อค่อยกาลังใหม่เฮือนอื่นเหนเฮายังสืหมอดบเมนเนลพุทธเจ้าวางั เขาเรีบหมดเสียรีบดับเสีย <c oughs> นี่อายุนี่มีลอยตีเรเห็นอันนี้จังเรเห็นก็เกิดค้อมนับผู้เขามีอายุอยู่มือนึงเห็นก็เกิดขวอมนับก็มาห ม, มั่นมาเที่ยงขณะกีเดียวไปได้ น, น่นนับละมานนับละมานยุที่อายุลอยตีนสมัยข้อมอันนี้สงเก่าที่บริขัทตัดซัดทีดจะแทรกก้อนในเสือ พรุทธศ า, านามันเกิดพุทธศาสนาท้ามันอยู่แล้วมันแบงคตอยู่แล้วมู่ห้องมาท้าหมันนี่เริ่มกลางพระพุทธเก้าดอกออพอไปซื้อซำมนเนี่จักแสนเหนี้นะ่าประเทศไทยเนี่ออกไปสั่งลูกสั่งเมี่ยงพวกองลูหน้าเทไดสิพ่อลูกเ อ, อ๋ยหลานเ อ, อ๋ยเหรียนเ อ, อ๋ยนี่ยรถเทไรยังสิพ่อที่ดินปลูกบ้านเทไดยังสิพอมันจะจักจังวัดมาถอนกัน่นี่ ยี่สิบตี้ี่สิบาองค์อ้วยี่สิบองค์นี่เราว่างยี่สิบองค์จะเกณฑ์ ม, มีกรเบื้นี่ก็มีถยอยยุท่านี่นแต่ถ้าจะเอาลูกของนี่เราดูความอดทนดิบเท่านี้เฉพาะปนั่นเมื่เปิดมันเนนอยอ่ในตัวถ้ามันเยอะนตัวอ๋อคิดเธอเดียบางลูกูนึงูนึงก็ไม่ลูกหรกรต่ก็สามค น, นยังงเนี่ยผู้เป็นมันกันยกไปซักคนแต่งรายแสนในประเทศไทยนี่ฮะลูก เอ๋อหานเอ๋อเหรียนเอ๋อพลเนี่ยนี่ท่านนั่นถ้ามันเนี่ยผมไม่เขามีซี้ลูกท่านนี่กบอว่ามันข้องหน่อยข้าเจ้าไปออกไปสั่งลูกสั่งผัววังลูกท่นลูกข้าเจ้าสี่ร้ายไปนไอ้สั่นเอานอกจากนั้นไปอิฐท่านนี่ผู้เขาซื้อสินซื้อทำท่านนี่เขาก็มีกฎมีเกณฑ์แม่นบม้อวันพระวันเจ้าเขาก็บรทสงสิ้กันแม่นหอ้อนั่นทั่ประเทศชาติที่โมี พุธ้ธาตาตินานี่นึผลิะกรรมมาลม่มเต็มประเทศมาเขาบยูจิน ม, มั่ีกปนบ้านปนเมืองป น, นเห็นบอกฮันนัเอาจิตวเห็นคุณพาพระพุทธศาสนาบอกอ๋อันถ้ามันยังแงกข้ามไ้เดรนพร่พุทธศาสนาทุกขศูพอพาดไปก็ไม่ร้ายนเน่ ย, นยพว ก, พก น, น, น, นั้นพวกขู้พอีพลา น, น, นาาลไปยู่ฮันนี่มันีบรยูบได้รู้กันเชื่อมสนอเวนอไปกันด้นี่แน่นบนน้านแงะข้ามไเรดรน ขึ้นไปมรรคก้ามีซึ่งไปไปสัาากพิธิสารก็มีธรรมะงมีพระพุทธศาสนาไปพวกเทวโลกบ้างพวกมรโลกบ้างม่มันก็สืมายากกันอยู่แต่ในมนุษย์โลกครับสัตว์โลกนี่มันทะเลเลือดทะเลน้ำจาร์แล้วว่าจไดนสักนั่นที่หน้ามงโลบบ่บ่นเห็นคุนขาพระพุทธศาสนาลายถ้ามกภาษาลิบุษเ ด, ด, ดินตรงกบไปก็มา โอ้ยมาที่หน้าบุคุนเพระเุยกระท่ำพระสงฆ์จมันลายพระองค์เจ้าเอ้ยเอสุดงมีเสือวงมีประมานนะฮม็นสีย่นลงมาเป็นพระวิสุทธิคุนฝัญยาคุณมหากรุณาขุนกษตริก็เป็นขุนอันใหญ่หาบัว่างบัไดเออเียนะตัวประทับเป็ญ่ามากตัวกระตอมเห็นมากผู้ใดมีเสือเง่าขึงในไก่ผู้สามีมุ้งในผู้ใดมีเสือตันในผู้ใดผู้ใดมีสายตาเง่าเขามองในไก่สายตาคนเงาของสงฆ์เป็น้น พี่จะหน้าเงาพี่จะหน้าก่ายเ่ก่อนเ็นคนโตเลยตอนน้บุตรด้โตว่าพูดพูดถูกเลยบริสิทธมาอธิบายพุทโธพุทโธข้าเดียวซ้มือ้ำขึ้นกับพักบซาดิบุตรด้ว่านส่มาพันนาคุณพุทโธทำคุณธรมมันก็กลมกลงกันยหันนี่คุณสซ้โคกลมกกันยหันนี่เเกี่ยวว่ามองช่เจะเพียงว่าอักษรหย่อที่คือ เนาะปลาลดทึ้งขุนพุทโธ่้าโมกับกรมกินนหันทั้งโคกกรมกนยูหันคืองหนังก็ไม่เอครับกระดูกกรมกนกันนู่นน้องสามโี่มาแจ้งนุณผู้โทเป็นโรคตวละขุนเนี่ยเป็นโคที่ะขุนเน้่เอาน้าไหล่ลงหอยน้องข้องเบิ่งบางบ่าทั้งลึกซึ่งเล้เนี่ยไหล่ลงหัวมหาสมุทรทะเลวันเดียวว่านี้กังขึ้นทั้งวันโดยไ่รู้ตัวน้ามืะ